พระบัญญัติ499เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกะถินดอแล้วอาการจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุต้องการก็พึงรับไว้ได้ครัดรับแล้วพึงรีบให้ทําเป็นจีวรถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มภิกษุนั้นพึงเก็บผ้าสําหรับทําจีวร น, นั้นไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน เพื่อเพิ่มผ้าสำหรับทรรมจีวรที่ยังขาดให้ครบถ้าเก็บเกินกำหนดนั้นแม้มีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องภิกษุรับอาการจีวรจบ